นมัส ก, การเจ้าคะ่ะออหนูมาครั้งที่สองแล้วคะ่ะแต่ทีนี้ได้ฟังคำช่วงเช้าเรามาถึงช่วงนี้คะ่ะก็ฝึกปฏิบัติมาตามที่ได้รับฟังจากหลวงตาแล้วก็ญาติธรรมที่ได้นั่งคุยคะ่ะแต่ก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะถามอะไรเจ้าคะ่ะก็นั่ง ดูตัวเองตามรู้แล้วก็มองเห็นในอารมณ์อะค่ะว่าเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่เนืองๆ เ, เจ้าค่ะเมื่อฟังพระช้าไปแล้วแล้วก็รู้ว่าวิธีจะนำไปปฏิบัติอย่างไรแล้วตอนนี้ปฏิบัติอย่างไร ตอนนี้นะคะหนูก็ตามรู้ตามรู้อาการที่มันเกิดแต่ละแต่ละเออย่างเกิดโทสะก็ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เอฝึกวางเจ้าค่ะด้วฟังฟังไฟใหม่ๆที่ส่งให้ไปมั้งไหมที่ในไลน์ตามฟังอยู่เจ้าค่ะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเข้าใจก็เข้าใจเจ้าค่ะ แต่ตัวเองยังเหมือนกับยังใหม่อยู่เจ้าค่ะไม่มีใหม่ไม่มีเก่าเหรอพอเราไปคิดเอาว่าใหม่มันก็เลยเราบางที่จะไปตัดเอาความรู้สึกควาว่ามันใหม่ไปตัดตัดความรู้ความเห็นความเข้าใจทั้งหมดไม่มีใหม่ไม่มีเก่ า, ราเราตั้งใจฟังเขาส่งมาลายไหน ส่งมาไฟาใหม่ไฟใหม่ใหม่ที่ก็ส่งมาเราก็ตั้งใจฟังเลยฟังไม่เข้าใจไม่ถึงใจเราก็ตั้งใจอธิษฐาน mm hmm. ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณดำดาคุณของพระแม่คุณบาอาจารย์และบุญบา ร, รมีของเราเนี่ยเราก็เอามาล้างคําอธิษฐานคํามั่นสัญญาความปรารถนาใดๆที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุผลิภานในปัจจุบันนี้ ฟังธรรมไม่เข้าถึงใจใจยังไม่เป็นธรรมในปัจจุบันนี้ก็ขอล้างเสียทั้งหมดตรงทิ่นับบัตนี้แล้วก็อธิษฐานใหม่ขอให้ธรรมของท่านเจ้าจะเข้าสูกใจให้ใจเป็นธรรมธามเป็นใจที่สิ้นกินเลสรูปิภานในปัจจุบันนี้โดยเทอินแล้วก็ตั้งใจฟังเลยไม่มีใหม่ไม่มีเก่าหรอกมันก็สามมันเป็นธรรมที่ปัจจุบันนี่แหละไม่มีธรรมสาหรับคนใหม่คนเก่าอะไร มันก็เป็นธรรมในปัจจุบันนี่แนะเราก็ตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวก็จะเข้าใจถึงใจเองอะไรอย่าเอาความคิดไปตัดหลายคนชอบคิดว่าเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ใช่ของเราตรงนี้เรายังไปยังปฏิบัติใหม่อยู่ตรงนี้เรายังไม่ฟังแต่ตรงนี้ยังมันยังลึกไปยังสูงไปเรายังไม่เอาเรายังปฏิบัติใหม่แล้วขอฟังแค่นี้ก่อนเละถ้าเรามีความคิดความเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนกับที่ฐานผิดไปตัดหมดเลยไปตัดแล้วเราจะฟังทําให้เข้าใจเลย ทำไม่มีไม่มีเก่าไม่มีคนเก่าไม่มีคนใหม่มีแต่ปัจจุบันขณะในจิตใจของเราเนี่ยแน่เราตั้งใจฟังมันก็จะเข้าถึงใจได้อย่าลืมนะต้องล้างก่อนนะล้างความเห็นผิดอะไรให้หมดสิน้นแล้วก็ล้างคำปารถนาคำอธิษฐานคํามันสัญญาความปรารถนาหรือความเห็นผิดใดๆทั้งหมดทีด่มาปิดกัน้นทาให้ฟังธรรมของบุทรเจ้าเนี่ยทําบุทธเจ้าเข้าไปถึงใจไม่เป็นหนึ่งเดียวกับใจใจยังไม่เป็นธรรม ไม่สิ้นกิเลสมนุษย์วิภาในปัจจุบันนี้ขอล้างเจตทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วก็อธิษฐานใหม่ขอทำบุเจา้ า, านะุทานุภาเวนาธรรมานุภาเวนาะสังข า, านภาวนแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ถึงุธานุภาวนธรรมานภาวนสังขานภาวนะคุิดามาาคุณของพ่อแม่คุอาอาจารย์บุญบา ร, รมีที่เราทำแล้วมาแล้วทั้งหมดบุญบา ร, รมีที่เราทามาแล้วทั้งหมดขอให้ฟังธรรมบุตเจา้า ให้ทำ บ, บุตรเจ้าเข้าถึงใจเป็นหนึ่งเดียวกับใจใจเป็นธรรมสึนกิเลตุผิภัณฑในปัจจุบันนี้เดิเทินเราก็ตั้งใจฟังเลยตั้งใจอ่านหนังสือทุกครั้งก็อธิษฐานแบบนี้หนังสือธรรมะลงตาทุกเล่มไยทุกฝ่ายเสียงของลงตาทุกไฟต้องอธิษฐานเท่านมันจะเข้าถึงใจใจได้เป็นธรรมธรรมได้เป็นใจนเหมัอนกันไปติด อ, อยู่แค่ระบบความคิดหมดเจ้าคจะบังไว้นะมีอะะไรสงสัยไหม ไม่มีเจ้าค่ะ